วัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดเรื่องนิวรณข้อพยาบาทได้แก่สภาพจิต ท, ที่เก็บความไม่พอใจไม่ยินดีความโกรธความาคาดการปูกโกรธตลอดถึง ความคิดในลักษณะจองล้างจองผ่านเรากลายเป็นตะกรอนใจเราเรียกว่าพยาบาทความคิดในแนวพยาบาทจึงเป็นการสะสมอารมณ์ในอดีตซึ่งแง่ของความไม่จริงแล้วเขาก็เกิดขึ้นในอดีตแต่เขาก็ดับไปแล้วในอดีตเป็นเนื่องจากภายในใจของบุคคลมีเชื้อของกิเลสสายนี้อยู่ หลังจากผ่านการกระทบกระทั่งมาแล้วก็ยังเก็บส่วนเราดีเอาไว้เมื่อมีการสะสมมากยิ่งขึ้นความคิดเหล่านี้ก็จะกระจายออกไปในลักษณะเดียวกับพวกกามฉันเพียงแต่ว่ากามฉันนั้นกระจายไปในรูปพระใคร่ปุพันพยาบาดก็จะกระจายไปในรูปของ แก้แค้นทำลายล้างบุคคลหรือบางทีก็อาจจะถึงสัตว์ที่ใจเข้าไปผูกไว้ด้วยความาคาดประโยชน์ซึ่งก็นีจะเห็นว่ามันจะมีการเชื่อมต่อใกล้ๆกับโรคติดต่อแต่เป็นเรื่องการปรุงของจิตจิตใจของบุคคลได้ปรุงขึ้นมาเอง ในการกำหนดหมายสถานะบุคคลเหล่านั้นด้วยตัวคนเราเองแม้จะเขาจะไม่เคยกระทำอะไรให้เราไม่พอใจแต่พอดีคนนั้นเกิดไปเกี่ยวข้องกับคนที่เคยทำอะไรให้เราไม่พอใจการเกี่ยวข้องนั้นอาจจะเกี่ยวข้องในช่วงสั้นๆเช่นเป็นพ่อแม่ลูกกัน ออดีอาจจะยาวไปถึงความเป็นหลานความเป็นเลนความเป็นวงศาคันญ า, าติการอยู่หมู่บ้านเดียวกันตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันตลอดถึงชาติเดียวกันซึ่งประชาชนสามารถสังเกตได้ว่าบางอย่างมันเป็นตกรใจที่สะสมจิตสันดานมานานความรู้สึกของคนไทยส่วนหนึ่ง มีการศึกษาติดตามเรื่องราวต่างประวัติศาสตร์เราก็เรียนกันมาตั้งแต่เป็นเด็กๆเราจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยชอบใจพวกพม่าหรือพวกเมร์แต่ความไม่พอใจไม่ชอบใจเหล่านั้นที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องปัจจุบันแต่เป็นการป ร, ประรบย้อนประวัติศาสตร์ในอนดีต ถึงแต่เรามองแง่ของความรู้สึกในด้านประวัติศาสตร์ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไปแต่มองเห็นในแง่ของกระบวนการทั้งจิตก็จะพบว่าความบัาบัติที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นอาการกระจายของกิเลสที่มีการถ่ายทอดมีการสะสมจิตสันดานมาแล้วก็หาทางระบายไม่ได้ เลยก็เอาใครก็ไม่รู้มาเชื่อมกับคนที่ทาให้เราไม่ชอบตอนลูกหลานพม่าเหล่านั้นก็เป็นคนรุ่นหลังซึ่งไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่บรรพุทธของตัวเองทาไว้แต่ก็ถูกเรามีความรู้สึกพยาบาทตามไปเป็นอาการทางจิตที่เอาจิตตัวเองเข้าไปเชื่อมโยงคือความรู้สึกเหล่านี้เข้าไปเชื่อมโยง เป็นความคิดที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ตัวเองและไม่ให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลอื่นก็อาจจะถือว่าเป็นการแสหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนโดยทําไปเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในยุคนในสมัยนั้นเมื่อคู่กรณีก็ล้มหายตายจากไปก็เรื่องจบ แต่ว่าคนเราแยกไม่ออกเราทำหน้าที่เป็นผู้สืบสวนสอบสวนเป็นพนรรักงานอายการเป็นสารไปเสร็จเพราะความรักความควา ม, ความช่างในลักษณะนี้จึงเกิดขึ้นกับการทำตัวเป็นตํารวจเป็นอายการเป็นสารกับเราเองเราตัดสินไม่ชอบไปเด้หรือชอบไปเด้ในกรณีนี้ก็คือไม่ชอบไปเด้แต่ว่าถามมาทาไมจึงไม่ชอบ พอสืบสาวไปปรากฏว่ามันเป็นเรื่องโบราณมาหลายร้อยปีปแล้วคนที่พิพาทกันนั้นตายไปไม่รู้สักกี่ชั่วคนแล้วสายของเราเองก็ไม่รู้สักกี่ชั่วคนสายเขาเองไม่รู้สักกี่ชั่วคนแต่บันก็ถ่ายทอดมาได้เป็นพยาบาทที่สืบทอดจนกลายเป็นเผ่าพันธุ์มานะ ถึงกว่านี้เราก็พบในส่วนต่าง ๆ, ๆขอาโลกเราจะสืบษาไปถึงการพิพาษความขัดแย้งความรู้สึกเป็นปฏิปัติต่อประชาชนบางประเทศเช่นพวกยิวกับพวกอารับในตะวันออกกลางที่จริงมันย้อน ป, ประวัติศาสตร์ไปตั้ง 5,000 กวา่าปีแล้อาจจะย้อนไปไกลกว่านั้นได้ทำไปเยี่งแต่มีการเพิ่มเติมเชื้อเหล่านี้เอาไว้ไม่ให้หมอด ตอนไฟพยาบาทมัก็ลุกโพรงอยู่ภายในจิตใจคนทุกรุ่นแต่ละรุ่นก็ได้รับปลูกฝังในลักษณะ น, นี้เพราะการทําลายล้างเมือ 5, ่อห 5,000 ันปีเคยทำลายล้างกันาากไปอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็คงทํำลายล้างกันอย่างเงี้ยนั่นคือเปลวไฟของพยาบาทท่านจะเห็นว่ามันก็คล้ายๆกับไฟที่ก็จุดเผาศพที่ท่าท่าสาโอเปส ท, ที่ประเทศอินเดีย ไฟดวงนั้นมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าสืบสวนไม่ได้มันก็สามพันกว่าปียันี้ก็ยังมีอยู่เพราะอะไรเพราะมีการเติมเชื้อไว้ตลอดจะมีการรักษาไว้ตลอดในการใช้ไฟด่ง น, นั้นตลอดเพราะกิเลสส่วนหนึ่งจึงกลายเป็นอาสวะคือมันหมักห ม, มมอยู่ภายในใจไป็สิ่งที่หมักหมม มันก็คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นตะกอนบางครั้งพระเจ้าทรงชช้คาว่าตะกอนที่เรียกว่าอนุัยก็เป็นตะกอนอยู่ภายในใจตามปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรมากระทบข้างนอกหรือว่าใครไม่ไปกวนตะกอนมันก็อยู่ข้างล่างแต่ถ้ามีใครมารผลักภาชนะที่ใส่น้ำซึ่งมีตะกอนอยู่ข้างล่างหรือว่าใครเกิดไปกวนน้าขึ้นมา แล้คนเหล่านั้นก็จะขึ้นมาจิตใจของบุคคลที่เก็บความรู้สึกในลักษณะนี้เอาไว้ก็เป็นเช่นนั้นบางโอกาสมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่ามีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกหรือจิตใจเราจะเป็นเหนียวนึกมันการที่มีกระตุ้นมาจากข้างนอกมันก็เหมือนกับใครไปรผระกพลาช น, นะผลักรแรง แต่กอดมันก็ขึ้นมาหรือเราเป็นเดี่ยวนึกสึกนึกก็เหมือนกับเอาน้ำไปกวนพรนะเจเอามือไปกวนพรนะเจคือทั้งสองอย่างเนี่ยแต่กอดมันขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตด้วยว่าองค์ธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ทุกลำดับจึงมีพยาบาทอยู่ด้เช่นในเรื่องอากุศลวิตกก็มีพยาบาทวิตก ลักษณะกุศลนิตกนั้นก็คือจิตที่ไปเหนี่ยวนึกไปตรึกนึกถึงอารมณ์ในอดีตเหล่านั้นทำนองเดียวกับการเอาไม้หรื อ, อามือไปกวนพัชนะก็ตะกอมกดมันก็ขึ้นมาในระดับนิวรณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมรุมใจในกรณีนี้อาจจะมาจากข้างนอกก็ได้อาจจะมาจากข้างในาก็ได้ทังกล่าว ในอนสังเกเราพบคนคนหนึ่งสมมติเรารู้จักเนี่ยเขาเองไม่มีปัญหาอาจจะเป็นเด็กเล็กๆกำลังน่ารักถ้าเป็นลูกคนอื่นแล้วเราก็รักน่าสงสารแต่พอดีมอ ร, รู้ว่าลูกคนนั้นคนนี้ซึ่งเราไม่ชอบหรืออาจจะเป็นหลานคนที่เราไม่ชอบหรืออาจจะอยู่บ้านเดียวกับคนที่เราไม่ชอบ บางทีอาจจะอยู่ประเทศเดียวกับคนที่เราไม่ชอบแต่ความขุนใจก็าบาังเกิดขึ้นภายในจิตตำนองคติไทยที่พูดคือพูดมายังไงก็ไม่รู้แหละแต่มันก็แสดงถึงจิตสันดาลของบุคคลที่มีการสะสมถ่ายทอดมาในลักษณะนี้ที่เราพูดกันว่าจะงูกับแขกตีแขกก่อน นั่นเป็นอาการทางจิต ท, ที่พยายามจะถ่ายทอดความรู้สึกของคนคนหนึ่งเอาไว้ภายในใจของคนอื่นเพื่อขยายผลความพยาบาศเหล่านั้นไม่อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก็แนวการสร้างในร่วมเพื่อให้มีพวกช่วยกันเกลียดคนที่ตัวเกลียดจึ่งนักล่าวไว้ในตอนต้นว่าเพวกกิเลสมีลักษณะคล้ายๆกับโรคระบาดและโรคติดต่อด้วยหรือสามารถจะถ่ายทอดไปได้ และจากจุดนี้แหละมันก็นำไปสู่จุดอื่นเพราะความเชื่อมโยงกันของกิเลสเนี่ยขอ้อที่ไม่ควรลืมคือกิเลสมันมีเพียงสามกองเท่านั้นนะคือโลกกรดลงแล้วว่าจริงก็มีกองเดียวคืออวิชชาเท่านั้นนะแต่ทาไมกิเลสจึงกระจายได้มันกระจาจากความรู้สึกของเรานั่นเองจากจุดนี้จะนำไปสู่จุดอื่นเช่นอะไรเช่นความสนิ เพิงสังเกตว่าจิตใจเราฝบางครั้งเราก็ประกอบประกอบด้วยศรัทธามีความเสียสละต้องการจะช่วยเหลือคือกูลแก่บุคคลเราดิเราอาจจะให้เขาได้สงเคราะห์เขาได้สําหรับคนที่เรารักและรู้สึกกลางๆจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงจุดหนึ่งมีคนที่เราไม่ชอบหรือลูกหลานของคนที่เราไม่ชอบหรือเกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เราไม่ชอบก็ตามถ้าเราตัดการเชื่อมต่อไม่ได้ หมาความ่ามันาคน น, ค น, น, คนั้นไปเชื่อมคนนั้นไปเชื่อมคนนนไปเชื่อมคนนี้แล้วจะเกิดความสนิทขึ้นมาทันทีคือไม่ยอมให้ไม่ยอมให้หรือไม่อยากให้ถ้าจําเป็นต้องให้ก็ให้โดยความจําเป็นก็ จ, จ, จ, จําใจจริงๆทั้งสแสดงเห็นว่ากิเลสมันก็เกิดขึ้นมาในช่วงนั้นทั้งๆ ท, ท, ที่ขณะก ọn, ่อนเราก็ให้แจกของสมมติเรแจกของเ้าก็แจกไปได้เรื่อยๆแจกไปแจกไปแจกไป เขาก็หนึ่งโพรมาเอาอั น, นี้ลูกสัตว์สู่หลานสัตว์สู่เรจิตจะสะดุดทันทีมือจะค้างทันทีแววตาที่เคยอ่อนโยนด้วยความรักความสงสารนั้นจะเปลี่ยนแปลผันไปทันทีเพราะมันเกิดปฏิกิริยาในส่วนร่างกายในส่วนจิตใจแล้วก็ออกมาในรูปของความเคลื่อนไหวเพราะเพราะขณะนั้นจิตมันถูกปรุงด้วยความไม่พอใจความพยาบผัน อาการก่อนนั้นเป็นอาการของขุศนนธรรมมิจฉาคตเจตนาต้องการเสียสละสมเคราะช่วยเหลือคือคูรุแกบุคคลเรานั้นแต่พอมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกแล้วเราไปเชื่อมเองที่จริงเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเราไปเชื่อมเขาเองถ้าเราเข้ารบในทรงนี้เรามีปัญญาระดับยอมรับในกฎของกรรมออ ก, กํามใดใครก่อคนนั้นก็ ร, รับกรรมไปเอาขนาดนี้ได้เราจะตัดได้ อันนี้พ่อแม่ไม่ดีแต่ลูกมันดีคือเราไม่ชอบปู่ของเขาแต่ไม่เกีย่ยวกับหลานเขาเพราะกุศลธรรมเราก็รักษาไ่ได้คื อ, อยังแจกของไม่ได้เพลินเพลินเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรอาการเหล่านี้จึงเป็นความรุนแรงของความพยาบาทเป็นการจุดไฟขึ้นเผาหลนใจตัวเองซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรแกใครใคร จ, จิตใจของเราที่เคยปกติเคยสงบเคยเยึอกเย็นจากตัวอย่างในยกว้เนี่ยมันอยู่ด้วยกุศละธรรมมีความเมตตามีความกุณามีความเสียสละเด็กกำลังทาหน้าที่สงเคราะห์นุเคราะห์แก่คนอยู่ดีๆพอมีคนซึ่งเราไปเชื่อมกับคนที่เราไม่ชอบให้เราสังเกตว่าคนที่เราไม่ชอบเราก็หาเรื่องเอาเอง ลูกหลานคนที่เราไม่ชอบเราก็ไปเชื่อโมเ อ, เองอาการเชื่อมแนวนี้พึงสังเกตว่าจะมีแก่คนทั้งหลายตามยุค<อ>ตามสมัยตามสมัมงคมแก่กรณีนั้นๆเช่นในยุคนี้ใครฆ่ากันตายที่ไหนเกิอดอุบัติเหตุที่ไหนก็เชื่อมโยงกับหัวคะแนนของพรรคนั้นพรรคนี้คนนั้นคนนีนนนนน้โดยไม่ได้มองในแง่ความจริงอ่ะ เพราะความจริงกิจกรรมในแนวนี้คนไทยนั้นฆ่ากันตายทุกๆวันวันละสิบสี่คนคิดโดยเฉลีย่าายนะอัตราเฉลี่ยแล้วฆ่ากันตายทุกๆวันวันละสิบสี่คนฆ่ากันส่วนใดก็ไม่รู้ตลอดถึงปีแล้วก็มาตั้งเข้าอาจำนวนปีจนวนัวนไปลบไปไปหารบันจะได้ออกมาอย่างนั้นแต่ว่าพอมีอาการอะไรอย่างหนึ่งเราก็เชื่อมเข้า เมือนกระคราวหนึ่งที่มีเหตุการณ์ความพิบัติเดือดร้อนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะเชื่อมกับดาวหางอันเละอิติพนก็ดาวหางอันเละนั่นก็อิติพลดาวหางอันเละโดยลืมไปว่าที่จริงเหตุการณ์ดีๆมันมีเกิดขึ้นมากมายกว่าของมากกว่าเหตุการณ์ไม่ดีทําไมไม่เชื่อมไม่เชื่อมเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นมีลักษณะริษยาอยู่ด้วยมีความเห็นแก่ตัวอยู่ด้วย อาการเหล่านี้จึงปรากฏเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรในหมู่ของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสค่อนข้างนานทำให้เวลามีการกระทําผิดของใครกระตันยกตัวอย่างว่ามีพระทําผิดขึ้นมาสกรูปหนึ่งเวลาเจาา้ากระ่าวกระํามิติเตียนนั้นก็จะติเตียนทั้งหมดจะติเตียนพระทั้งหมดไปพระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้พระในศาสนาพุทธใช้ไม่ได้พระสมัยนี้ใช้ไม่ได้ เป็นต้นก็แตนที่จะพูดเาฉพาะคนใดคนหนึน่งไม่พูดเพราะอะไราการพูดจันนั้นมันสนองตอบกิเลส ต, ตัวเองสนองตอบความสะใจความเบียดเบียดความริษยาความอาฆาตของตัวเองที่สะสมมามากปัญหาทางระบายกิเลสปัญหาทางระบายก็มันแต่พอมีการพูดถึงคนดีพูดถึงความดีที่คนดีเขากระทำไอ้ตัวริษยามันจะขึ้นมาขวาง ยอมรับก็ยอมรับถ้าจำเป็นต้องยอมรับก็จะยอมรับถ้ามีทางที่จะตัดรอนให้มันลดน้อยลงไปได้ก็จะตัดรอนแต่จะไม่เอาไปเชื่อมกับคนอื่นเพราะอะไรพราะกลัวคนอื่นก็จะดีกว่าพวกคนอื่นก็จะดีกว่าแต่ความรู้สึกเหล่านี้มันสังเกตว่ามันจะมีโลภะมีจะมีพยาบาทอยู่คือมีกามฉันมีพยาบาทอย กามฉันนั้นหมายความว่าเราอยากได้ยศศักดิ์ชื่อเสียงเหล่านั้นเสเองพยาบาทก็คือเราไม่ชอบเพราะอะไรเพราะในขณะที่ในขณะเดียวกันนั่นเองถ้าหากว่าคนนั้นทําดีแต่เรามีความรู้สึกไม่พยาบาทเขามาก่อนมีความรู้สึกรักให้ผูกพันเคารพนับถือศรัทธาเป็นต้นเราจะพูดเกินความจริงโดยทั้งไปคือจะขยายความดีเหล่านั้นมากกว่าที่เขาทานั่นคือสภาพจิต มันจะแปรผันไปตามเหตุปัจจัยที่กระตุ้นจากข้างนอกอันสืบเนื่องมาจากการกำหนดจากข้างในาลการกำหนดภายในใจจึงมีส่วนที่สำคัญมากกว่าปัจจัยข้างนอกดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของการกระทาถ้าเราเคารพมั่นในกฎของกรรมบ่า ใครทำกรรมอใไรไว้จะดีหรือเชี่ยวก็ตาบจะต้องไปพูดรับผลนั่กับนั้นเราจะไม่กระโจนเข้าร่วมวงในทางที่ไม่ดีกับคนเหล่านั้นอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นหลักเพื่อพุทธศาสนาเฉกิจชนในสวดสอบว่าคนที่โกรธตอบคนซึ่งโกรธตนหมายความคนคนหนึ่งก็โกรธเราและแสดงการเกรี้ยกราอมพวกขามเรา เราโกรธตอบคนนั้นเราด่าตอบคนนั้นประหารตอบคนนั้นประทุษร้ายตอบคนนั้นพระเจ้าทรงสแสดงว่าเราเป็นคนเลวกว่าเขาเป็นคนโง่กว่าเขาทํำไม่ถ้ามองเห็นภาพเป็นรูปธรรมจะเห็นได้ชัดเจนมากคนที่ถูกความโกรธครอบงาจนถึงก็ออกมาในวิจิตทุจริตมีการกระทําที่เป็นทุจริตคงคขูคุกคามาอะไรเราก็ทำ มันเหมือนคนเปื้อนโครนหรือเพื้อนอุจจาระมาเขาก็เปื้อนก็สกปรกแล้วเราเห็นเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นเขาเารียนภาษาลิบุตรท่านเคยเกิดเป็นราชสีมีหมูกำแหงมาท้ากับท่านขณะเดียวกันก็ครุอุจาระมาเต็มตัวมาท้าสู้กับราชสีราชสีก็ทำยังไงเขายอมแพ้ ขอให้สุกรชนะก็ไม่ต้องการจะเกลือนกลัวกับอุจจาระที่ในตัวสุกรเรกดันพันขงข้อนี้การปฏิบัติลักษณะนี้ก็คือตรงกับหลักเทพเจ้าได้กล่าวไว้ในตอนต้นที่ว่าเรากล่าวว่าคนที่โกรธต่อผู้โกรธตนเป็นคนเลวกว่าบุคคลนั้นเป็นคนโง่กว่าบุคคลนั้นคือเราจะไม่กระโจนลงไปร่วมในสิ่งสโปรก ก็ขเขาเมื่อเขาตกกระปุกแล้วก็ปล่อยเขาตกกระปุกไปคำใดใครก่อเขาก็รับก ร, รมเข้าไปแต่ทําไมจึงตัดไม่ได้เพราะตรงนี้ไม่ต้องตัดด้วยสติด้วยปัญญาปัญญาไม่มีกําลังพอความโกรธมันเกิดขึ้นซะก่อนที่เราพูดกันว่าพอความโกรธมันเกิดแล้สติปัญญาบินบินออกทางหน้าต่างออสู้ไม่ได้ไอ้สุก็โกรธตอบเขาทําบาปแล้วมาชวนเราทําบาป ถ้าดูตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะเมื่อเราขยับมาอีกชั้นนังจะเห็นได้ชัดว่าเขาทําบาปอยู่แล้วมาชวนเราทําบาปถ้าเราทําบาปร่วมกับเขาก็สแสดงเราก็เป็นเป็นคนบาปหรือว่าขยับไปอีกจุดหนึ่งที่พระเจ้าทรงห้ามแม่ข้คนผ่านลักษณะอนนย่างเดียวกันคนพานก็คือเป็นการสะท้อนกิเลส ท, ที่มันเป็นรูปธรรมในความเคลื่อนไหวมีการพูดมีการทํามีความคิดที่เป็นผ่าน เราทั้งๆ ท, งที่รู้แสนรู้ว่าเขาเป็นผ่านก็เป็นค น, คนโง่เขาเป็นคนเา้าแล้วเราก็กโจนเขาไปร่วมกิจกรรมเขาไปทำอย่างเขาไปพูดอย่างเขามีความคิดอย่างเขาเราก็โง่กว่าเขาเพราะยังไงเขานำเพื่อนไปแล้วก็ปล่อยเขาเพื่อนไปถ้าอยู่ในวิสัยช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือไม่ได้ก็ปล่อยเขาไป นั่นคือการปฏิบัติธรรมะที่สอดรับกับเรื่องของพรหมิหารเราเห็นว่าถ้าช่วยเหลือได้เราก็ช่วยนั่นคือการุณาพรหมิหารแต่ช่วยเหลือไม่ได้มันเป็นเรื่องกฎของกรรมนั่นคืออุเบกขาพรหมิหารแสดงว่าเราก็มีธรรมะใช้ได้การปฏิบัติธรรมะนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเป็น การเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติด้วยจิตสํานึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆันน้านน้องไร้ไร้กับเราเป็นนั่งอยู่ที่สถานที่ใดที่หนึ่งในตอนนั้นก็ตอนเช้าพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นมาอากาศกํบบาลังเยือกเย็ยนลมพัดพ่าโจยสบายดีมันก็มีปัญหาอะไรก็ดั่งได้แต่พอพระอาทิตย์ขึ้นอย่างอ่อนๆก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พรอวันที่ร้อนขึ้นมาแสงแดดมันาสาดเข้ามาเต็มที่ตรงนั้นก็ยังคืนนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์ครับเพราะเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหาที่สงบหาที่เยือกเย็นให้แก่กตัวเองให้ได้การฝึกปืนจิตใจมันก็มีลากาอย่างนั้นการตัวอย่างที่ยกว่าเขาทําให้เราโกรธแล้วเราโกรธตอบเขาพระเจ้าทรงตำหนิเราโง่กว่าเราเลวกว่า เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่เย็นๆแล้วคนหนึ่งอยู่ร้อนๆก็มาท้าให้เราออกไปร้อนเขาด้วยเราก็โจนออกไปก็กลายเป็นการกระทาที่เบียดเบียนตัวเองเพราะจากจุดของพยาบาทที่เองในแนื่องของการกระจายที่ไปประรบการตั้งหลายพระเจ้าทรงใช้คำวมาอาคาติตวัตถุคือเรื่องที่ํำไปสู่ความอาคาต ม่ลักษณ ะ, สะเสลยเประลามปามของความคิดที่เชื่อมไปคล้ายๆกับโรคระบาหรือโรคติตต่ออาจจะประรอบจะจุดได้จุดหนึ่งก็ได้เป็นประรอบเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วอาจจะผ่านล ห, ลาหลายร้อยปีพันปีอย่างที่ยกตัวอย่างไว้ในตอนต้นก็ได้แต่สิ่งเนั้นไปเชื่อมไปเชื่อมจนวุ่นหมดเช่นว่าคนนี้ได้เคยเบียดเบียนต่อเราเบียดเบียนเรา ไม่อย่างนั้นก็อาจเบียดเบียนพ่อแม่ของเราเบียดเบียนปู่ย่าตายายของเราเบียดเบียนบนรรพชนของเราไปได้ไปได้เรื่อยๆคือย้อนอดีตไปได้เรื่อยๆที่จริงถ้าบรรพชนแล้วมันก็ไม่ใช่เขาแล้วคือเบียดเบียนรุ่นปู่เขาเนี่ยปู่ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เขาแล้วนะคนรุ่นปู่ก็คงรุ่นเดียวกันก็คงจะตายกันไปหมดแล้เพราะที่จริงแล้วก็คือคนรุ่นหลัง เพราะฉะการเชื่อมจุดนี้เราจะพบว่าบางทีเราก็เชื่อมว่าคนนี้เป็นเหลนของคนซึ่งเคยเป็นศัตรูกับทวดของเราก็ได้เราเชื่อมได้ไกลขนาดนั้นนึกนั่นคือเชื่อมกิเลสแต่อย่าลืมว่าเชื่อมธรรมะมันก็เชื่อมได้ความเยื่อใยสิเนหาผูกพันที่เรามีต่อชนชาติบางชนชาติแล้วเ ป, ปรียในอดีตเหมือนกันอาจจะปรียบไปไกลมากๆ คล้าๆกับคนไทยที่มีความรู้สึกเป็นกันเองเป็นมิตรสนิทสนมก็คนอินเดียหรือกคนจีนเพราะอะไรเพราะว่าคนจีนนั้นเราเกี่ยวข้องกับทางสายเลือดที่มากคนอินเดียเราเกี่ยวข้องกับทางาศาสนาทางวัฒนธรรมมากก็ทั้งสองอย่างรู้สึกเราได้ก็สำนึกในแง่ของอุปกราระคุณความผูกพันมาจึงเกิดมาก เราก็ผาคุ้นเคยสนิทสนมกันได้ระหว่าง ส, สองสองสองชาตินี้หรือแม้แต่คนลาวนะก็เรามองในแง่ที่เป็นญาติพี่น้องกันเพราะแนวแนวพยาบาทมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะเชื่อมไปได้เรื่อยๆแล้วบางทีแม้แต่คนอื่นก็ทําดีตามปกติแล้วเนี่ยคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญามีธรมประจัญญาดีมันก็ทําดีเราก็ยอมรับข้อดี นั้นแสดงว่าจิตใจมันปกติเป็นการวินิจฉัยสิ่งต่างๆไปตามมันเป็นจริงราคากับมิเตอร์เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ปรากฏในขณะนั้นก็แสดงว่ามาตรฐานนะแต่ตต้าอากาศหนาวแล้วมิเตอร์ยังขึ้นสูงลิฟต์เนี่ยแสดงมิเตอร์เสียแล้วจิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาทาดี แต่เราก็ไปแสดงความไม่พอใจเขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าใจเราเสียเหมือนก็มิเตอร์มันเสียวัดไม่ได้เป็นมาสที่วัดอะไรไม่ได้คนบางคนทำดีไปทําดีกับคนที่เราไม่ชอบเราปวดเขาด้วยททางๆ ท, ที่เขาทำดีอั้จุดตรงนี้ก็คือความไร้เหตุผลความไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมที่เราไปโยนสายเขานะ เขาไม่ได้เจตนาอะไรต่อเราแต่เราเราไปโยนใส่เขาเองเราไปเชื่อมกับเขาเองลักษณะของกิเลสประเภทนิวร์แต่ละข้อเพืสังเกตว่าจิตเป็นสายไปรับเองไม่ได้มีใครสร้างไม่ได้มีใครกอ่อไม่ได้มีใครโดดบันดาลแต่ว่าใจไปกําหนดไปกําหนดไปแต่งตั้งไปบัญญัติขึ้นมาสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ทานองคล้ายๆกับคนที่มีพื้นฐานนังกลัวผีไปที่ไหนมันก็สร้างจินตนาการขึ้นให้ผีหลอกตัวเองได้ทุกแห่งในขณะเดียวกันคนที่ไม่กลัวผีก็อยู่ในที่นั้นก็จะไม่เดือดร้อนอะไรแต่เพราะเรากลัวผีเราอยู่ในที่นั้นเรานอนไม่หลับกระสรับกระส่ายตะกุกตกะอะไรตร่ออไรนกร้องลมพัดใบไม้ไหวก็จะนึกปรุงแต่งเป็นผีไปทิตใจของคคลที่กรอบโดยกิเลสประเภทนี้หรือแม้แต่ประเภทอื่นยจะมีลักษณะอย่างกัน เพราะนั่นเองใช่คําว่าปรุงคิดคือสเอาสิ่งนั้นขึ้นมาคิดคิดแล้มาปรุงมาแต่งมาผสมประสานมาเชื่อมมาโยงเข้าที่จริงมันอยู่คนละแห่งกันมันอยู่คนละแห่งกันพ่อกับพ่อปู่คนรุ่นพ่อคนรุ่นพ่อคนรุ่นปู่คนรุ่นปู่บรรพชนกนรุ่บนบรรพช น, น, รชนเรามาต่อกันครับเพื่อจะได้ระบายความแค้นกับตัวเองแต่การเชื่อมต่อ น, นั้นไม่ใช่เสียหายถ้าเราเชื่อมต่อโดยเหตุด้วยผลเนี่ยเราก็มีความเคารพนับถือบรรพชนของเรา เราก็รบสก arga คนรุ่นโบราณนานไกลได้แต่เชื่อมต่อแล้วมันเกิดบาปเกิดอกุศลเขาก็ไม่เชื่อมต่อเขาต้องตัดเพราะถ้าขืนเชื่อมต่อคล้ายๆกับไฟมันไหมมาเนี่ยถ้าเรามีเชื่อมต่อมีเชื้อเชื่อมต่อมันก็ไหมไม่หยุดพิธีจะดับไฟก็คือต้องตัดเชื้อเพื่อให้ไฟมันลุกไหมมาเพราะฉการปฏิบัติในแนวนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ด้วยด้วยวิธีการต่างๆจะทรงเลี้นให้เห็นว่า วควค่ความโกรธคาวามมักค่ามันเกิดขึ้นภายในใจคนเวลาได้สนองตอบความโกรธได้ระบายออกมาตามความโกรธรู้สึกว่าคล้ายๆจะเป็นสุขแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับกินอ้อยที่ยอดมันหวานแต่ว่าข้างล่างมันมียาพิษอยู่พอถึงจุดหนึ่งก็ตายความโกรธจึงเหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเสียดแทงแผดเผาไว้เกิดความ ร, าร้อนร้อนยังไงก็ตามไม่มีใครสามารถแบ่งเบาบรรเทาให้เราได้ จิตใจทถูกความโกรธเกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างนั้นฝึงสังเกตว่าญาติพี่น้องก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ทั้งๆ้านใเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนอื่นก็ช่วยได้แต่เรื่องความโกรธนั้นพอโกรธขึ้นแล้วไม่มีใครช่วยแบ่งเราได้ถ้าเราแบ่งเราก็ต้องแบ่งเราเองเราบรรเท่าเราก็ต้องบรรเท่าเราเองความคิดแนวนี้จึงถือว่าตัวเองนั้นเป็นศัตรูกับตัวเองเราจะนี้ไปขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสุบต่อไป